ยังไม่ไปไหนคณะนักศึกษาทั้งหลายก็ได้หยุดไปสองวันแต่หลวงพ่ออาจารย์เองก็ไม่ได้หยุดสักวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องรับภาระสอนสมาธิชั้นสูงไปแต่ว่า เมื่อสอนสมาธิแล้วนี่อานิสงส์ก็กลับมาเป็นของเราหลวงพ่อก็ได้อานิสงส์ได้อานิสงส์เพราะว่าร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าสมบูรณ์ไม่ใช่หมายความว่าอ้วนให้ยังยังรักษาสวดรงได้อยู่ แมายความว่า <t ries> ในปีหนึ่งปีหนึ่งนี่อดีตผ่านมาเป็นเวลาสิบสิบปีมาในปีหนึ่งจะต้อง ơi, เป็นไข้หวัดนอนสมสองครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่าสิบวัน แต่พอมาสอนสมาธิแล้วนี่หายหมดไปเจอไข้ที่นิวยอร์กมาถึงเมืองไทยเวลาสอนก็หายเวลากลับไปก็เหมือนมันขั้นเนื้อขั้นตัวแต่เวลานี้ก็ไม่มีอะไรหมดไปแล้วก็ยังสอนได้ตามปกติแสดงว่าพลังจิตของลูกศิษย์ ช่วยอาจารย์ได้น่าว่าเก่งขึ้นเยอะสําหรับวันนี้ก็เรามาเรียนกันเรื่องสมาธิกับการเรียนเพราะว่าการเรียนสมาธิเป็นขั้นขั้นขึ้นมาในขั้นตอนขั้นตอนนี้ก็งวดลงไป งวดลงไปถึงขั้นสุดท้ายคือวันนี้เพื่อให้การเรียนที่ได้มีความสมบูรณ์มากเรียกว่าให้สมบูรณ์เพราะว่ามาถึงจุดของการเรียนนี่ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ที่จะต้องไปสอนสมาธิเด็กๆมีความสำคัญ เพราะว่าเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะต้องรับใช้ประเทศชาติและพระศาสนาเพราะว่า เ, เราทุกคนก็มาจากเด็กหลวงพ่อเองก็มาจากเด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมาเพราะว่าเราได้รับการดูแลที่ดีและ ที่ถูกต้องก็กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแต่คนที่ยังต้องการที่จะให้ดีไปกว่าความเป็นอยู่นั้นมันจะต้องมีอะไรคือมีสมาธิเนี่ยเข้ามาช่วยสำหรับเด็กๆทั้งหลายนั้นถ้าหากว่า เราจะพัฒนาแต่ร่างกายส่วนด้านจิตใจไม่ได้รับการพัฒนานั้นมันไม่สมบูรณ์เต็มที่ขาดอะไรทีนี้จะพูดเฉพาะคือว่าที่เขียนไว้ในบทเรียนอันนี้เนี่ยจะพูดเฉพาะตรงที่สำคัญที่อื่นๆนั่น ก็พอที่จะเข้าใจได้แล้วทีนี้ก็มาพูดตอนที่หน้าห้าสิบห้านี้บรรทัดที่สองหมายความว่าบรรทัดที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าปลายปลายบรรทัดหน่อยเปน เ, เรียกว่าเป็นจุดที่จะประสานกายละเอียด เรียกว่าจุดสุดยอดโดยที่จุดสุดยอดของกายละเอียดจะมารับเอาส่วนนี้ไปเก็บไว้กลายเป็นความจำและกลายเป็นการขยายออกซึ่งสติปัญญาก็ทบทวนมาอีกอถึงหน้าห้าสิบสี่ถอยหลังมาตรงบรรทัดสุดท้ายว่า จุดนี้เราต้องทราบให้แน่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนดังได้กล่าวไว้แล้วในข้อสิบเจ็ดว่าความสันสะเทือนของสมองตรงนั้นมันเป็นคลื่นเป็นความละเอียดของเส้นประสาทเป็นจุดประสานกายละเอียดเรียกว่าจุดสุดยอดโดยที่จุดสุดยอดของกายละเอียด จะมารับเอาส่วนนี้ไปเก็บเอาไว้กลายเป็นความจำและกลายเป็นการขยายออกซึ่งสติและปัญญาถ <c oughs> ือว่าในร่างกายของเรานั้นการเรียนหรือการอะไรต่างๆนี่มันจะต้องอาศัยสมอง เรวเรียกว่าคนนี้สมองดีคนนี้สมองไม่ดีหรือเรียกว่าสมองดีก็เรียกว่าสมาร์ทเบรนอะไรเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าทีนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็คงจะต้องทบทวนกลับมาว่า มากล่าวถึงด้านจิตใจ ท, ทุกๆด้านก็ต้องมีความพร้อมนี่คือกำลังใจกำลังใจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสมาธิเด็กมีสมาธิธรรมชาติเข้าช่วยพอเติบโตขึ้นสมาธิธรรมชาติก็เริ่มอ่อนตัวลงเกิดความไข้เขวตกลงใจไม่ถูกคิดหาแต่ชิงสุกกรหาม ด้วยเหตุกำลังสนับสนุนไม่แข็งแรงพอก็ทำให้เสียกำลังใจจุดนี้เราต้องทราบให้แน่ชั ด, ดว่ามันอยู่ตรงไหนดังกล่าวไว้แล้วในข้อสิบเจ็ดว่าความสั่นสะเทือนของสมองตรงนั้นมันเหมือนกับคลื่นเป็นความละเอียดของเส้นประสาท เป็นจุดที่จะต้องประสานกับกายละเอียดเรียกว่าจุดสุดยอดโดยจุดสุดยอดของกายละเอียดจะมารับเอาส่วนนี้ไปเก็บเอาไว้กลายเป็นความจำและกลายเป็นการขยายออกซึ่งสติและปัญญาทีนี้เรามาพูดกันถึงกายละเอียด ก็คืออาทิตสมานกาย <c oughs> อาทิตสมานกายนี้จะมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าก่อนกำเนิดอาทิตสมานกายนี้เราเรียกว่ากายละเอียดทีนี้เมื่อมาอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคือมาอยู่ในร่างกายหยาบเนี่ยกายละเอียดนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเก็บเอาไว้เรียกว่าตัวเก็บเอาไว้ กลายเป็นความจำแล้วก็กลายเป็นการขยายออกซึ่งสติและปัญญาทีนี้กายละละเอียดนี่มีความจำเป็นที่ว่าต้องอาศัยสมาธิเมื่ออาศัยสมาธิแล้วเนี่ยกายละเอียดอันนี้จะเก็บความจำเอาไว้แล้วก็จะขยายออกเป็นสติปัญญา แต่ว่าเราได้พบว่าคนที่มีสมาธิธรรมชาติเช่นการนอนหลับหรือว่าเช่นการที่จดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นคือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาและ การที่เป็นธรรมชาตินั้นมันจะหมุนเวียนไปตามธรรมชาติอ น, นี้เมื่อไม่มีอะไรส่งเสริมหรือไม่มีอะไรที่จะไปทำให้กายละเอียดอันเนี้ยได้รับการฝึกฝนหรือมีสมาธิที่สร้างขึ้นมามันก็จะอยู่ไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติของบุคคลผู้นั้นอาจจะดีมาก่อนอ น, นั้นก็ไม่ว่ามันก็อาจจะดีได้แต่ว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติที่ดีมาก่อนก็ต้องอาศัยสมาธิอยู่นั่นเองแต่คือสมาธิธรรมชาติทีนี้ตรงกายละเอียดเนี่ยเวลาที่เรานึกพุทธโธเนี่ย ใจของเราเนพุโทโธจริงแต่ว่ากายละเอียดจะเป็นผู้รับพุโทโธนั้นเมื่อกายละเอียดรับพุโทโธนั้นเข้าไปก็จะเป็นการที่ส่งเสริมกายละเอียดเนี่ยให้มีสมาธิมากขึ้นลองจุดตรงนี้โดยเฉพาะแล้วถ้า ไม่มีความเชี่ยวชาญจริงๆพระจะอธิบายตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เราจะได้ยินถึงความเป็นไปของพระอระหันต์หรือผู้ที่ท่านได้สำเร็จผู้ที่ท่านได้สำเร็จนั่นก่อนแต่ที่ท่านจะมาสำเร็จ ท่านไม่ได้ทําจุดตรงนี้ขึ้นมาได้แต่พอท่านสําเร็จขึ้นมาแล้วท่านทําจุดตรงนี้ได้กลายเป็นเ อ, อกลายเป็นญาณหรือเรียกว่ากลายเป็น อ, อปฏิสัมภิทาญาณอย่างเนี้ยเจ็กเอเตเขาแสดงไว้ว่าปฏิปฏิก็คือต่อประตต อ, อสัมภิก็พอสัมภาง สัมพิทายาณปฏิสัมพิทายานเนี่ยทาก็ทอทงปฏิสัมพิทายานเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่เข้ามาฝึกอาทิสมานกายอาทิต์สมานกายจะได้รับการฝึกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วท่านจะสาเร็จ ปฏิสัมพิทาญานทีนี้คําว่าปฏิสัมพิทาญานนั้นท่านไม่เคยพูดภาษาอังกฤษได้แต่ท่านพูดได้และท่านไม่เคยพูดภาษาเยอรมันได้ท่านพูดได้ไม่เคยพูดภาษาจีนได้ท่านพูดได้อย่างเนี้ยอเยออความจําอันเนี้ยพอเวลาที่คนอื่นพูดมา เช่นอย่างอังกฤษพูดมาเยอรมันพูดมามันเข้าไปสู่เอเอความจำตัวนี้ได้คือกรายละเอียดตัวนี้จะจับกลงไปได้แต่ว่าพูดที่จะสำเร็จตรงนี้ต้องมีสมาธิเยอะถ้าไม่มีสมาธิเยอะสำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้น พระอระหันต์ไม่ได้สำเร็จตรงนี้ทุกองค์เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิน้อยคือว่าทำสมาธิพอใช้ได้แล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาเลยอันนั้นก็จะไม่สำเร็จตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงปู่มั่น ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะสำเร็จตรงนี้ได้เพราะว่าสมาธิของท่านยังไม่ถึงขั้นนี้แต่ถึงท่านจะสำเร็จยังไงนั่นเราทราบท่านไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าเราสาเร็จตรงนี้ไม่ได้คือปติสัมภาิพยานแต่ท่านบอกว่าท่านสำเร็จตรง ปฏิสัมพิทานุสาสตร์เป็นอย่างนั้นคือปฏิสัมพิทานุศาสตร์นั้นน่ะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการแนะนําให้ถูกใจบุคคลผู้ที่มาฟังนั่นคก็เรียกว่าปฏิสัมพิทานุศาสตร์สำหรับปฏิสัมพิทายานนั้นเรียกว่าพูดได้ทุกภาษา <c oughs> ทีนี้ อันนั้นเรายกไว้อันนี้เรามาพูดกันถึงเด็กในที่นี้คือในบทเรียนบทนี้เราอาจจะเน้นถึงเด็กหรืออาจจะเน้นถึงเยาวชนนักศึกษาอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่ว่าทำสมาธิทำอะไรทำไปทำไมอย่างนี้เป็นต้นแล้วบอกว่าการที่ทำสมาธิเนี่ย เพื่อที่จะเก็บความจำและขยายสติปัญญาจะเรียกอีกนัยหนึ่งว่าชาวณปัญญาอย่างนี้ทีนี้สำหรับปัญญานี่ถ้าใครที่ได้เข้ามาถึงเขาเรีย ก, กว่าจุดของสมาธิตรงนี้แล้วเนี่ยปัญญาเนี่ย มันจะมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นคนเราเนี่ยเราจะต้องยอมรับว่าคนไหนเขามีปัญญามากกว่าเราก็ยอมยอมว่าเขามีปัญญามากกว่าเราอันนี้เรียกว่ายอมกันโดยดุษณีภาพคือยอมแบบไม่โต้แยง้งเพราะว่าเราแพ้เขาด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้คือว่าการทําสมาธิเนี่ยเวลาเรานึ้อฟุตโธเนี่ยใจเนื้อฟุตโธจริงแต่ว่าเก็บนั่นน่ะอธิตยมานกายเป็นผู้เก็บต้องเข้าใจอย่างนั้นและอธิตยมานกลายจะเป็นผู้จําและอธิตยมานกายจะเป็นตัวขยายงาน อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในกรณีที่เขามีวิชาการในทางสาริระวิทยาอะไรต่างๆหลวงพ่อไม่ได้เรียนมาก็ไม่อาจรู้ได้แต่ว่าถ้าจะมาพูดกันถึงด้านเรื่องของจิตใจเพราะว่ามาถึงอาทิสมันกลแน่ จะต้องถือว่าเป็นกายละเอียดทีนี้กายละเอียดนี่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ว่ามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยตลอดเวลาเวลาที่เรานอ น, อนหลับไปแล้วเราก็ไปอยู่ที่กายละเอียดนั้นเพราะฉะนั้นกายละเอียดมีความจำเป็นที่จะต้องถูกพัฒนาขึ้น ด้วยสมาธิด้วยสมาธิหมายความว่าเมื่อเราทำสมาธิไปทุกครั้งเนี่ยพระใจไปเก็บไว้ที่กายละเอียดนั้นกายละเอียดจะเป็นผู้เก็บทุกอย่างจะเป็นผู้เก็บจะเป็นผู้ขยายใจเป็นผู้สั่งการเกิ เ, เหมือนกันกับกายสั่งการร่างกายหยาบเรานี่แหละ ในเมื่อใจเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายหยาบก็ร่างกายหยาบก็ถูกสั่งการไปจะสั่งการแบบไหนสั่งการให้เดินสั่งการให้หัวเราะสั่งการให้ร้องไห้สั่งการให้วิ่งสั่งการให้ตีรังกาหกเมนอันนั้นกายหยาบเนี่ยต้องทำตามใจตลอดใครจะไปขัดขืนไม่ได้ บอกให้ร้องไห้ก็ร้องไห้บอกให้หัวเราะก็หัวเราะบอกให้ยืนก็ยืนบอกให้นั่งก็นั่งว่านี่คือการสั่งทีนี้เช่นเดียวกันใจนี้ก็จะต้องสั่งอาทิสมันกายได้ <c oughs> แต่ว่าอาทิสมันกายนั้นถือว่าเป็นกายละเอียด ถ้าหากว่าอย่างใจอย่างเนี้ยสั่งให้ร่างกายเนี่ยเขียนหนังสือสั่งให้ร่างกายเนี่ยอคิดอ่านอยเนี้ยสั่งให้ร่างกายเนี่ยไปใช้ความคิดความอ่านความปรุงความแต่งความอะไรต่างต่างเนี่ยอันนี้จะเริ่มสมนันอย่างเนี้ยคือสมานสมานไปกับ กายทิพย์หรือกายละเอียดหรืออธิสมานกายนี่จะต้องเริ่มสมานทีนี้ระหว่างการที่สมานกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างใจกับกายละเอียดเนี่ยเราไม่อาจสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร เพียงแต่ว่าเมื่ออใจสั่งให้คิดใจสั่งให้ทําใจสั่งให้อะไรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คิดก็ทําก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีสติปัญญาเยอะแยะก็เหมือนกับเราเราก็บอกว่าเราแต่แท้ที่จริงนั้นน่ะจะเพราะร่างกายอันเดียวทําไม่ได้ร่างกายหยาบอันเดียวทําไม่ได้ต้องมีร่างกายละเอียดที่เขาจะคอย เออใครยายความอย่างนี้เป็นต้นเมื <c> ่อ <oughs> มาถึงจุดตรงนี้เรื่องของสมาธิที่จะไปเข้าไปช่วยการศึกษาการเรียนจึงได้เกิดมีขึ้นอย่างจริงจังว่าถ้าใครอยากจะให้ลูกเราก็ดีหลานเราก็ดี ผู้เกี่ยวข้องเราก็ดีเกิดความเฉลียวฉลาดจำเป็นที่จะต้องให้เขาพยายามทำสมาธิให้ได้แต่การทำสมาธินั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้มันง่ายที่สุดเรียกว่าสบายๆที่สุดแต่ว่าก็ให้เป็นสมาธิ อย่างเนี้ยอ่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอธิบายอย่างเนี้ยเด็กมันจะไม่เข้าใจจะไปอธิบายว่าเฮ้อาทิตสมันกายนะมันเก็บความรู้ไว้นะอย่างเนี้ยมันมันไม่เข้าใจแล้วไปอธิบายอย่างนี้ไม่ได้ต้องอธิบายอย่างเราเนี้ยนักศึกษาขันนี้เราอาธิบายกันได้แต่เราต้องรู้อันนี้ไว้ว่า หลักการจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้ในเมื่ออาทิตย์สมาร์กายไม่ได้รับสมาธิอย่างสมาธิที่สร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รับสมาธินี่เลยแต่ว่าโดยอาศัยธรรมชาติ มันก็เป็นไปได้อย่างที่โลกเขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าไม่รู้กี่พันล้านคนก็ไม่ได้ทำสมาธินับไปตั้งหลายพันล้านคนแล้วทำไม เ, เขาจึงประสานกับอาทิตยสมานกายแก่กระทั่งสามารถเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ดูแล ประเทศชาติตลอดจกนกระทั่งโลกให้อยู่กันอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็หมายความว่าเขาอาศัยสมาธิธรรมชาติเพื่ให้เกิดสติและปัญญาชาวะปัญญาขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้คนต่างๆเนี่ย หมายความว่าคนผู้นำประเทศนำโลกนำอะไรก็ตามหากว่ามันมีสมาธิที่สร้างขึ้นสามารถที่จะให้อาธิสมันกายของเขาได้รับการฝึกฝนขึ้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เขาจะ มีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าที่ความเป็นอยู่นั้นอย่างไรก็ตามจิตใจนั้นจิตกับใจวันนี้อธิบายจิตกับใจนิดหน่อยจิตกับใจคืออันเดียวกันและจิตกับใจก็ได้มาพร้อมกับร่างกาย เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจจึงมีความสำคัญแก่มนุษย์ทุกๆคนและทุกเพศทุกวัยด้วยดังนั้นหากใจนี้ได้รับการฝึกฝนด้วยสมาธิความสำคัญของใจจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันหากใจไม่ฝึกฝนสมาธิจะทำให้ประสิทธิภาพของใจนั้นด้อยลงไป การจะฝึกสมาธิไม่ยากและพอเหมาะพอดีอจึงจะทำกันได้ซึ่งสมาธินั้นถ้ารู้ซึ่งถึงวิธีการแล้วก็จะง่ายมากไม่มีอะไรที่จะซับซ้อนเพราะว่าโดยทั่วไปทุกๆคนมีสมาธิอยู่ตามธรรมชาติแล้วเพียงแต่แนะนำไม่มากก็สามารถทำได้ทุกคน ณที่นี้จะพูดถึงการเรียนกับสมาธิจึงจะอธิบายให้เข้าใจว่าสมาธิเข้าไปมีส่วนของการเรียนได้อย่างไรเนื่องจากเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดชาวณปัญญาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าอารมณ์ต่างๆนั้นใจจะต้องเป็นผู้นำ ทำให้เกิดอารมณ์มากมายเหลือเกินใจจึงต้องส่งไปตามอารมณ์ทุกชนิดตามแต่จะสร้างขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ต้องตามอารมณ์ไปไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งอารมณ์เหล่านี้ใจต้องทำงานหนักตลอดถึงความฟุ้งซ่านของใจก็เกิดขึ้นจึงไม่เกิดความแน่วแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ การเรียนวิชาการต่างๆก็จะเกิดาการไม่จดจำตลอดถึงความเพี้ยนของใจก็จะเกิดขึ้นตามมาสมาธิเมื่อทำขึ้นจะเกิดความสงบใจหยุดอารมณ์มากมายเหล่านั้นให้ลดกระแสะลงจนถึงสามารถควบคุมเข้าสู่วัตถุประสงค์ได้ มาถึงความเป็นได้เช่นนี้ชวนปัญญาก็จะเกิดตามมาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อควบคุมอารมณ์ได้แล้วความเพียนของใจก็จะสลายตัวไปความโปร่งใส<ม>ออของใจก็จะเกิดขึ้นโดยอาศัยความโปร่งใสของใจนี้เองชวนะปัญญาอันเป็นความเฉลียวฉลาดต่างๆ ก็เกิดตามมาเป็นลำก็ขอให้เกิดขึ้นก็นแล้วกันแต่เด็กๆนั่นแหละไม่ชอบบังคับชอบทำอะไรตามใจตนเองจึงหาทางสุขสบายในทางอื่นๆถ้าเด็กทั้งหลายเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไรเดียงสาพอแม่ที่ดีจึงพยายามหาทางแก้ไข ให้เขาเหล่านั้นทำสมาธิให้เกิดชาวนะปัญญาจะได้สามารถช่วยตัวเขาได้เองและยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยวันนี้ก็พูดการเรื่องนี้ก็มีจุดใจความได้ว่าจุดตรงไหนที่ทำให้เกิดสติปัญญา ทางทางที่มองไม่เห็นอธิษฐานกายถ้าว่ามาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะมาจบตอนหนึ่งต่อไปนี้เราก็จะพูดกันเรื่องฌานเรื่องยานอะไรทีนี้จะยิ่งกว้างฟังออกไปเกี่ยวกับว่าสมาธิมันเกิดฌานยังไงเกิดยานยังไงเน่ก็จะได้พูดกันในในบทต่อไป <c oughs> แล้วก็ วันนี้อีกเช่นเคยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นต่อไปหรือว่าวันนี้หยุดสักวัน <c oughs> เพราะว่ามีใครบ้างที่ไปเก็บฟันมาให้หลวงพ่อได้มันมีเออคนคนนึงนะ่ เออร้านมันขายยางร้านขายยางนะมันก็อยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยทีนี้ร้านขายยางสุขุมวิทนี่มันจะอยู่แถวแถวบางนาเนี่ยมันบอกว่าออไอ้ขมโมยมันเอาย่ามไปขายให้หรืออะไรอย่างเงี้ยไปอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาฟันลหลวงหลวงปู่ของหลวงพ่อไปไว้นั่นหรือเปล่าถ้าหากว่า ใครเจอก็เอามาให้หลวงพ่อสะดีๆแล้วฟันนั่นน่ะสีอะไรอ่ะหลวงพ่อยังไม่บอกแล้วเอามาแล้วก็จะรู้ว่าเป็นฟันหลวงปู่จริงหรือไม่หายไปสิบห้าปีแล้ว <c oughs> อ่าเป็นเวลาที่หลวงพ่ออยู่กับ หลวงปู่มั่นโดยไม่มีใครไอ้แบบา้าคนนั้นก็หายตัวไปแล้วเหลือแต่เราคือหลวงพ่อกับหลวงปู่มั่นอยู่ด้วยกันสององค์ก็ปฏิบัติท่านตามปกติแล้วอยู่ที่วัดอ้อมแก้วนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอุบลเพื่อไปทำศพหลวงปู่เสา ในระยะเดือนหนึ่งเนี่ยนักศึกษาทางหลายลองคิดดูว่าสามสิบวันนะเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะต้องถามหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าข้อเราตั้งใจไว้ยอย่างนั้นยังไงซะเช่นอย่างหลวงพ่อจะฉันผลไม้อย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งฉันใส ห้าอย่างเป็นมลปปะละกอสับปะรดแอปเปิ้ลอะไรล่ะมังกรแก้วแก้วมังกรอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝรั่งก็ได้ห้าแล้วเพราะฉะนั้นเลขห้าหลวงพ่อจึงถือว่าสําคัญว่าวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องถามท่านให้ได้ห้าข้อมันก็จะสมกันกับเราได้ พยายามที่จะปฏิบัติท่านอย่างเต็มที่คิดดูว่าวันหนึ่งห้าข้อสิบวันก็ห้าสิบข้อสามเดือนก็ได้ร้อยห้าสิบข้อมากกว่านังสือเล่มนี้เลยน่ากับนังสือที่เขียนวันหนึ่งหลวงพ่อก็ถามท่านว่าพระเนี่ยคนที่บวชเป็นพระเนี่ย ถ้าหากว่ า, าทำตัวาทาให้เป็นพระจริงๆเนี่ยมันจะทำแค่ไหนเขาถึงเรียวกว่าเป็นพระจริงๆว่าแทนกันเลยเอาคำพูดออกมาว่าอิจฉาโลภะสมาปโนสมนโนกิงพวิสติหลวงพ่อเลยเอามาเป็นคาถ า, อ, าอยู่ด้านทิศเหนือเนี่ยเขียนเอาไว้ นี่คือคำพูดของท่านท่านก็บอกว่าซึ่งแปลเป็นใจความว่าเมื่อมีอิจฉาและโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรไม่เป็นพร ะ, ะแล้วท่านมีศีลสองร้อยยิบเจ็ดท่านไม่เป็นเหรอเออนั่นก็เป็นสมมติสิมันไม่จริงอ่ะ ถ้าต้องการเป็นจริงก็อย่าไปอิจฉาใครอย่าไปโลภว่าไงทีนี้ทีนี้ความโลภนี่จะอธิบายกันถึงไหนหลวงพ่อก็ยังไม่รู้เพราะว่าจะว่าเราไม่โลภเอสร้างเกดีสูงใหญ่ทำไมนี่แสดงว่าเอานี่เราจะชักจะไม่ค่อยดีแล้วอ้าว แล้วมีหน้าซ้ํายังมาสร้างพระยกใหญ่ที่สุดในโลกอีกเแ้นี่เราไม่ใช่โลภเกินไปแล้วเหร อ, อ, อว่าเขาไปนั่นเแ้นี่เรามาตั้งโรงเรียนสมาธินี่เอานักเรียนมาตั้งเยอะไม่ใช่โลภเหรอทีนี้ท่านก็เลยอธิบายต่อไปว่า <c oughs> อย่างควรทาสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าโลภมากเกินไป ข้างก็บอกว่าแทนที่มันจะได้นะมันเลยเสีย อ, อแล้วมันเป็นตรงไหนอ่ะที่ว่าโลภมากเกินไปแล้วเสียคือว่านั่งสมาธิจะต้องให้ได้อย่างงี้จะต้องให้ได้อย่างงี้จะต้องให้ได้อย่าง ง, างี้อันนั้นคือความโลภเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยต้องทําใจให้เป็นกลางได้หรือไม่ได้เราไม่ว่ากัน อย่างนี้เป็นต้นและในขณะที่นั่งสมาธินั้นถ้าใครเขาได้ดีกว่าเราเราก็ไม่มีอิจฉาเขาก็โมทนาสาธุอย่างนี้เป็นต้นและทางกาอธิบายเยอะแต่ว่าในการที่หลวงพ่อจะเอาเรื่องที่หลวงพ่อคุยกับหลวงปู่มั่นมาพูดให้หมด ร้อยห้าสิบข้อนี้ mm hmm. ก็คิดว่าไม่น่าจําเป็นเราควรจะเดินทางต่อไปดีกว่าแล้วก็ย้อนค่อยมาค่อยย้อนเอาไอ้ร้อยห้าสิบข้อมาค่อยปูกันทีละวันละวัน <c oughs> จากนั้นเมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนมันบอกว่าวิธียังได้เวลาแล้ว เราจะต้องไปอุบลเดี๋ยวจะไม่ทันงานศพว่าแล้วตั้งแต่นะครพนมไปอุบลเนี่ยถนนทางตั้งเกือบห้าร้อยกิโลเนี่ยเดินไหวไหมเนี่ยเอ้ ย, เ, อยเขามีรถให้เราขี่เราก็ขี่สิหน้ า, าเป็นอันว่าข่าวนั่นนะมันมีรถ ชนิดหนึ่งรถชนิดไหนเขาเอาฐานใส่แล้วก็ปัดกันอย่างนี้แล้วก็วิ่งตึงตังตึงตังตึงตังเนี่ยคือหมายความว่าตั้งแต่พระธาตุพนมก็คือจังหวัดนะครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยเราขึ้นตั้งแต่ เช้าวันนี้นะฉันอาหารเสร็จแล้วก็ประมาณเก้าโมงรถออกกว่าจะไปถึงจังหวัดอุบลนี่เกือบถึงพรุ่งนี้เช้าอะ่ะมันก็วิ่งกระตรงกระตรงก็ตรงไปในขณะที่ขึ้นรถยนต์ไปมันก็น่ารำคาญท่านนั่งข้างหน้าเราก็นั่งข้างหลัง เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยนั่งได้สามคนทีนี้พวกโยมเขาก็ตีตั๋วให้ทันให้สามคนแล้วก็ให้ท่านนั่งองค์เดียวหลวงพ่อก็ถอยมานั่งข้างหลังท่านคอยดูแลท่านอยู่ข้างหลังพอเวลานั่งไปนั่งไปพอไปถึงมุกดาหารอื มันจะผ่านจากเอเอแทบพรนมไปเนี่ยแล้วทีนี้จะไปถึงมุกดาหารทีนี้ไปถึงมุกดาหารเนี่ยมันก็เย็นแล้วท่านก็เลยบอกว่าที่มุกดาหารเนี่ยมันมีแค่เรียกว่าสำเร็จรุนสาเร็จรุนเอ๊ะ บอกว่าสําเร็จรุ่นนี่มันเป็นใครทหารมาบอกแกไม่รู้เลยว่าสําฤทธิรุร่นเป็นใครไม่รู้ไม่เคยได้ยินเลยสําเร็จรุน่นก็หมายความว่ามีพระองค์นึงเนี่ยเขาเรียนสําเร็จแล้วก็สําเร็จนี่คือหมายความว่าสูงสุดเหมือนกับสมเด็จอย่างเนี้ยแต่ว่าทางภาคนั้นเขาเรียกว่าสําเร็จ อย่างเงี่ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เนี่ยตรงมุกดาหารเนี่ยสำเร็จรุนเนี่ยเขาเดินจากฝั่งของท่านี้ไปฝั่งของเราไม่ต้องขึ้นเรือนะเขาเดินผิวน้ำไปได้เอ๊ะ <c oughs> ทำไมหลวงปู่มาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วอันนี้มันเป็นความจริงไหมห <c oughs> ลวงพ่อก็ถามท่านอ้า <c> ว <oughs> ลิศมันก็เป็นความจริงสิถ้าใครทำได้เดินน้ำก็ได้สำเร็จลุนเขเดินได้ก็คือเขาสำเร็จไงแล้วหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ย hey, เรายังไม่เคยเห็นเว้ยทั้งว่านั้นสิ <c oughs> แล้ว อ, อีกไม่กี่เวลาก็จะต้องถึงจังหวัดอุบลนะถึงอุบลแล้วก็จะต้องมีเรื่องอะไรก็ ค่อยว่ากันก็นแล้วกันวันนี้เราคงเอากันเท่านี้ขอเชิญหนึ่งศูนสี่สามคุณสุดาตะนะวันสมบัติค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเอ ม, มีประเด็นปัญหาสามข้อนะคะที่จะขออนุญาตกล่าวติเียนถามประเด็นแรกเกี่ยวกับ เรื่องของหลวงปู่มัน่นปุริทะโตนะคะคือเมื่อวันออกพรรษาได้อธิษฐานขอธรรมะจากหลวงปู่มัน่นก็ปรากฏว่าได้ปริศนา ร, รมคือได้พบแมวตายอยู่ในหัวมูวัทันทีก็ได้ทราบว่าเราคงจะต้องพิจารณาในเรื่องของมรณ า, านัสติเป็นอย่างมาก เออก็ไม่ทราบว่ามีความถูกต้องหรือไม่ก็ขอคำชี้นำจากท่านพระอาจารย์และนอกจากนี้เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นก็คือจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาโดยใช้สมา ธ, ธิพิจารณารักษาโรคฤทธิ์วมชมูกจนหายขาดของหลวงปู่มั่นขอพระคุณค่ะ <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วเพราะท่านก็แนะนําว่าอเราจะต้องพิจารณาถึงความตายเพราะการพิจารณาถึงความตายนี่มันทําให้เกิดความไม่ประมาทแต่ว่าก็พเหมาะพอดีอ่ะอย่าทำสมาธิเราก็นึกแล้เพื่อให้จิตมันสงบเพื่อที่อันนี้ก็ถูกต้องก็ไม่ว่ากาัน <c oughs> การที่ท่านรักษาโรคคิษสะดวงจมูกหายนั้นอันนั้นเกิดขึ้นจากพลังจิตอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าพลังจิตนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วลักษณะที่จะทำวิธีไหนนั้นหลวงพ่อก็คงจะวาดแนวไว้ให้ที่นี่อยู่แล้ว เออ่ประเด็นที่สองเป็นประเด็นเกี่ยวกับท่านพระจันกรมาใครขอทราบว่าสติปทาของพระจันกรมากับการพัฒนาวัดดอยธรรมเจดีคอสอยากทราบว่ะค่ะคก็พอแล้วก็พูดกับพระจันกรมาก็พูดหน่อยหนึ่งว่าวัดดอยธรรมเจดีนั้น หลวงพ่อเป็นคนไปก่อนแล้วก็แต่ก่อนที่นั่นเสือชุมมาก <c oughs> หลวงปู่มัน่นชิญให้หลวงพ่อไปคนเดียวไปนอนอยู่ที่ถ้ำดอยธรรมเจดีนี่แต่ก่อนนั้นมันไม่ได้เตียนอย่างนี้หรอกหลวงพ่อไปอยู่คนเดียว <c oughs> หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าวิริยั แกจะไปไหมที่ทำเนี้ยอาทิตย์หนึ่งกลับไม่ได้คือคาสั่งของหลวงปู่มั่นนี่ถ้าใครไปขัดขืนนก็ถูกไล่แน่นอนเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะอยู่กับท่านก็ต้องไปไม่ต้องการอยู่กับท่านเราก็ไม่ไปก็ต้องรับ แล้วก็วันที่ท่านจะให้ไฟก็เป็นวันที่เสือมาพอดีเพราะว่าเสือมันจะไปกินงูแถวแถวนั้นน่ะจะมีงวนี่เขาจะไม่เอาไปไว้ในข้อแค่จะเอาไว้ที่ไล่แล้วก็ไปอยู่แล้วมันก็ไปขโมยเอากินมาตัวหนึ่งแล้วมากินที่นั่นอ่ะที่ทํำดอยทำมเจดีอ่ะต้องธรรมดาเสือเนี่ยพอมันกินแล้วเนี่ยเออมันกินไม่หมด วันที่สองมันจะมากินใหม่และทีนี้มันก็จาเป็นเสือมันต้องมาอีกจะมากินใ้งัวที่นั่นแต่ว่าชาวบ้านเขาไปเอางัวกลับมาแล้วเอามากินเหลือจากเสือก็ชาวบ้านก็อามากินแต่ว่าหลวงพอ่อต้องไปนอนที่นั่ น, เ, นเรายังไม่ทันได้ไปถึงหรักเดินไปก็ขนลุกแล้ว เอ้นี่อะไรเราจะมาให้เป็นเหยื่อเสือใช่แล้วหรือเนี่ยขนลุกไปตั้งแต่เดินออกจากท่านไปเลยว่าเป็นไงก็เป็นการตัวนี่มันชาหมดแล้วอ่ะนี่ทำยังไงได้นี่ก็ต้องสู้แบกกรดไปไปถึงก็ปากกรดเสร็จพอปากกรดเสร็จก็เข้าอยู่ในมุง่งเป็นไงก็เป็นการก็นั่งในมุ่งแล้ว จะออกมาก็ไม่กล้าออกมันจะออกมาปัสสาวะก็ไม่ได้ออกมาแล้วกลัวมันจะเห็นก็เลยนั่งอยู่ในมงนั่นน่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกดูหน้าดูหลังก็ไปฉันน้ำฉันน้ำเสร็จแล้วก็เดินจงกลมเดินจงกรมเสร็จเล้าก็เข่ามุง้งทีนี้มันไม่มาตัวเดียวมันมาหลายตัวเดินเพนผ่านมาเราก็ ไม่รู้ว่าอยู่ข้างในไม่รู้ว่าในที่สุดขนหัวผมนี่มันตั้งตรงไปแล้ว <laughs> ไม่ไหวแย่จริงๆนะทำยังไงความกลัวก็ไม่หายแค่นี้เราจิตใจของเราเป็นยังไงนะั้นไหนว่าเราก็ซ้อมมาเต็มที่แล้ว ผมเอาเข้าจริงเร้วมเป็นอย่างงี้เหรอเป็นอย่างนี้แล้ใช้ไม่ได้เดี๋ก็เดินยังกรมก็เอาเพอวันนั้นมาก็เลยตัดสินใจธรรมดาเสือมันต้องมากลางคืนเราก็จุดไฟขึ้นอพอก่อไฟได้ดีแล้วก็เดินยังกรมหมดคืนเลย เ, เห็นการเป็นเห็นแล้วในที่สุดมันก็คงมาแต่เราไม่ดูเสอย่าง เราก็เดินของเราเรื่อยไปนี่หมดคืนหายกลัวเลยทีนี้เอาอะทีนี้มันมาขี่คอมันเลยแล้วก็นี่คือต้นเหตุของวัดดอยธรรมเจดีเอ้พูดเล่นอย่างนี้ระเดี๋ยวหมดเวลาขอคนอื่นต่อเถ อ, อะต่อไปขอเชิญคุณพันนีจารุสมบัติ พูดไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะอ๋อนี่พันธุจรูสมบัติกาบมสการพระอาจารย์เศรษอยากาบเรียนถามถึงวิชาธรรมกายซึ่งสิทธได้อ่านเจอหนังสือได้เขียนว่ามีการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งได้ขาดหายไปหลังจากพุทธปรินิพพานในห้าร้อยปีแล้วเขากล่าวว่าธรรมกายคือกายตัดสืบธรรมที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกๆคนในโลก อยากเรียนถามอาจารย์ว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชาหนึ่งในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือไม่และถ้าเป็นอยู่ในขั้นตอนไหนของสมาธิ <c oughs> อัอ น, นี้ก็คงจะตอบไม่ได้ <c oughs> ขัดข้อในใจก็วิชาธรรมกายก็คือวิชาธรรมกายก็แล้วกันขอบพระคุณค่ะอาจารย์ท่านเขียนอย่างนั้นก็ ก็ถือว่าวิชาธรรมกายก็คือวิชาธรรมกาย <c oughs> <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณรัตนาพรมีพงศ <c oughs> ์กราบน้ัสการหลวงพ่อเจค่ะก่อนที่ลูกศิษย์จะเริ่มเรียนครั้งแรกได้ขึ้นไปกราบน้ำมศการพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าขอบารมีตั้งจิตอธิษฐานลูกศิษย์มีระทามาเรียนสมาธิ พลังจิตของพระอาจารย์หลวงพ่อขอให้มีความจดจําและเข้าใจในการเรียนสมาธิพลังจิตเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอาการลูกศิษย์นั่งสมาธินั้นมีมานมาทุกรูปแบบมีอาการชอบเก็บเอาไว้คิดลูกนั่งกําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธความคิดนั้นก็หายไปพร้อมทั้งกับมานด้วยขณะนี้สมาธิก็ดีขึ้นจิตใจก็สงบอารมณ์ก็เย็นได้ผล ดีมากในการเรียนสมาธิกับพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะเอาเกิดเลยไม่ต้องตอบ<笑><笑>มีมข้อหนึ่งค่ะน่าพอแล้ว ข, ข, ข้อนี้สำคัญกันนะคะเมื่อลูกศิษย์นั่งสมาธิจบก็จะแผ่กุศลให้กับครอบครัวและญาติผู้อยู่อาศัยเพื่อความล่มเย็นภายในบ้านจุดประสงค์เช่นนี้ผิดหรือเปล่าลูกศิษย์ทรา บ, ราบว่าทราบว่าเขาแผ่ให้กับคนที่ตายไปแล้ว ลูกขอกราบน้ำมศ ก, การพระอาจารย์หลวงพ่อช่วยขอคำให้ำแนะนาด้วยจะค่ะ ก, ก็แผ่ส่วนกุศล น, นั้นเป็นการถูกต้องแล้วเขาก็รับไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าการแผ่ส่วนกุศลเราก็อธิบายมาหลายครั้งแล้ว <c oughs> รัตนาพรถามเมื่อกี้นะ รัตมาพรมีพงศ์ที่ถามไปแล้วนะโอ้นึกว่านึกว่ารัตนพรดาลาเป็นสาวอ่าต่อไปขอเชิญคุณจุดิธรมาจันทนะชูกลิ่นกาบนละมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อที่เคารพนับถืออย่างสูงจิ์มีความตั้งใจอยากจะสอน แนะนำเด็กๆลูกๆญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนคูสมาธิกับท่านหลวงพ่ออยากทราบว่าจะทำอย่างไรในเบื้องต้นให้เขาทั้งหลายเกิดความศรัทธาเชื่อถือที่จะปฏิบัติตามที่เราต้องการเช่นจะต้องปฏิญาณตนหรือไม่ระหว่างคารวะและคาววะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองเวลาที่ทาสมาธินี่จาเป็นจะต้องใช้เวลาเท่ากันทุกครั้งหรือไม่ เนื่องจากบางท่านบอกว่ า, วาตรงเจ้จะต้องใช้เวลาเท่ากัน ก, การนันกับการปัอาจารย์ค่ะเอ่อทีเราจะทำให้เขาเชื่อถือได้ก็อธิบายใช้คำอธิบายอ้างเหตุผลแล้วก็ชักชวนเพราะว่าพอทำสมาธิพอจิตสงบแล้วทีหลังเขาอยากจะทำเองแล้วการอธิษฐานนั่นอ่ะอย่างที่หลวงพ่อพานำอธิษฐานเนี่ย อธิษฐานได้เองหรือเราเขาอธิษฐานไม่ได้เราก็นำเขาแต่ต้องอธิษฐานเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนกุศลแสดงถึงความที่เรามีเมตตาเราได้ของมาแล้วเราก็เฉลี่ยให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่ทำสมาธินี่ค่ะ จะต้อง้ายเวลาทุกครั้งที่เท่ากัน<า>เลยเวลานั้น่ะเราไม่ได้กำหนดเราสิบห้านาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าสามสิบนาทีก็มากพอสมควรขามว่าคุณท่านหลวพ่อค่ะต่อไปก็ขอเชิญคุณพัชรินโพคาสวรรนุมาก กมั่นการภาจารหลวงพ่อที่ฉลบในการทําสมาธิสมาธิหลายๆครั้งต่อวันจําเป็นหรือไม่ต้องการคานำและแผ่เมตตาทุกครั้งหรือไม่ครับค่ะการทําสมาธิทุกครั้งเนี่ยก็ควรจะต้องกล่าวแต่ว่าบางครั้งนี่เราด่วนจะไปไหนหรืออะไรก็ยกเว้นก็ไม่เป็นไรยกเวน้นน่ะไม่เป็นไร แต่ว่าการที่เราแผ่ส่วนกุศลเนี่ยนอกจากว่าเราจะแสดงความมีเมตตาว่าเรานั่งสมาธิเนตตามธรรมดากร น, นั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องได้กุศลทุกครั้งเขาเรียกว่าธานไมาสีรไมาภาวนาไมายเท่ากันกับเราไปถวายสังขทานนะว่าเท่ากันกับเราไปถวายอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้น เพื่อแสดงว่าเมื่อเราได้แล้วเราก็เผื่แผ่คนอื่นแสดงถึงความเมตตาอันนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะมีเมตตามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นตนน้นค่ะไปกาคําน้ำและแผ่เมตตาเมตตาบา ง, างครังจะเรียกอ น, นุสงูสาวท่าแผ่เมตตาก็คือแผ่ส่วนกุศลนั่นเดียวกันครับขอบพระคุณแม่ น, นักการท่านอาจารย์ค่ะออ่ <c oughs> เออยังไม่ทันถึงสิบาอีกหน่อยมันยังมไม่ครบวันดีโพไซทองกราบน้ามาสการ์พรจอาจา์ค่ะศิษธิ์มีคำถามดังนี้นะคะมีรุ่นน้องของสิษธิ์กล่าวว่ามารดาของเขาเคยคิดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนื่องจากประกอบธุรกิจไม่สำเร็จในขณะที่คิดจะกระโดดตึกลงมานั้นมารดาของรุ่นน้องสิทธิ์นะคะ ได้เห็นหน้าของหลวงพ่อสดทำให้ไม่คิดค่าตัวตายทำไมถึงได้เห็นหน้าหลวงพ่อสดทั้งๆ ท, ท, ที่มันดาของรุ่นน้องสิทธิ์ไม่เคยแม้กระทั่งไหว้พระหรือบูชาพระหรือรู้จักหลวงพ่อสดเลยเพราะเขาส่วนมากอยู่ต่างประเทศและเป็นคนต่างประเทศนะค ะ, ะคือว่าอย่างนี้ว่าการได้สติเนี่ยมันเกิด เพราะว่าความได้สตินี่มันจะเกิดขึ้นและทีนี้จะอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสติขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องมีคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยก้นไว้คือเกิดสติ